จบเสียงงานวิญญาณคืออะไรเล่มสองเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอ่านโดยอริยคุณจุมลมพลดีขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้มิชามาโซภารัตนอาภาอโตยิสรการทิพทานทองพัชรายุทธพัฒนาพรกัญญนัททองบุญอริศราสิงหภูมิจิตติมาจิรภาพัน สีนีนาตจำปาธิพงศ์เพชรินทร์พงเพชรกูล์นัตพัฒน์รุ่งเจริญรอบรัวงามสุริยาพงศ์รอบครัวคำสุภารอบครัวโถสกุลปัญญาโกจันทร์ไพฑูรณนนาคแท้อังคนามนทาทิพกุลร่วมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาขอให้เจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปทุกท่านสัพพทานังธรรมะานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นและห้ามตัดต่อแก้ไขก่อนได้รับอนุญาตอริยคุณจุมรมพลดีกุมภาพันธุพุทธศักราช 2,566